บหสิบห้ารั้ปฏิเสธสอง g a แหวนวงนี้แพงไหมคะไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรเนอโอนค evra แต่ายแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ ะ, มม ะ, ะคุณเสร็จแล้วใช่ไหม ยังไม่เสร็จค่ะเนะยน์ n อชแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะอัลิซัมอ koro gotov g o t กอตอคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะเจะลิชลีอยอชซุปเปไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะเนย แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะอะลียยัดดสแลโดเลดคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะสแตนูเยสลีเวชดูโกอเวเดไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวเนเทยเมเซต แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Ali คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะไม่คะ่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์ ne, the แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะอลิซแวร์จะมาวันเสาร์ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะดัลเลีเทยทวอยาเชอ a ์ก้าวันเสาไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปี ne ona ima ีอายุาาเพียงสิบเจ็ แต่เธอมีแฟนแล้วนะอาลีออนาเวชีมามอมกกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด